ตอนนี้ไป้า้ันตั้งใจฟังการอบรมอีกวันนี้จะอธิบายทั้งเรื่องขันหาเพิ่มเติมอีกก็ขันหาเป็นที่เป็นบอ่อเกิดและเป็นเครื่องเป็นที่ตั้งของอุปทาน คี่ความยึดถือขันหาได้อธิบายฟังมาแล้วโดยเฉพาะกับสือรูป ก, กับนามถ้าขายายก็คือเวทลูกเวทนาสัญญาสังขารมีญาณขันหาไม่ใช่ตัวกิเลสถ้าใครเป็นเข้าใจว่าขันหาเป็นตัวกิเลสอยัางเข้าใจผิด แต่ขั้นห้าก็ไม่ใช่นอกเหนือจากกิเลสขั้นห้านั้นถ้าหากใครไปเข้าไปยึดไปถือเอาเป็นตนเป็นตัวเป็นอัตตาหรืออนาาัตตาอันนั้นเรียกว่าเป็นกิเลสคือว่าถ้าหากไปถืออัตตาถือว่าขั้นห้าเป็นตนเป็นของเราเสียแล้ว รูปเจ็บเป็นเราเจ็บเวทนาเกิดขึ้นก็จะเป็นของเราสัญญาการจดจำหมายรูป ก, ก็จะเป็นของเราท <c oughs> ั้งการความคิดนึก้งแต่งก็จะเป็นของเราอินยางความรู้สึกก็จะเป็นของเราไปนี่ถือขันเป็นเราเรียกว่าถือขันเป็นตา ถ้าถือขันไปนอนัตตาอะไรๆไก็ทิ้งหมดตัวของเราเกิดเป็นคนว่าก็ช่างเพราะมันมันจะดีจะร้ายแตช่างเพราะมันมันจะทุขจะทุกข์แล้วมันจะทำบาปทำกรรมแล้วมันจะทำดีทำตัวไม่สราบไม่รู้เรื่องทางนั้นแหละเพราะอนัตตาตัวกายไม่ใช่เราปล่อยเลยลูกไม่ใช่เรา เวทนาคือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ช่างมัดไม่เอาทั้งยาทั้งขามี ญ, ญานทั้งหมดไม่เอาทั้งนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปปะเห็นผิดถ้าหากถือเป็นเราก็เห็นผิดถือเป็นไม่ใช่เราก็เป็นผิด้ำยังไงกันชาว น, นี้ขันหัก ไม่ใช่ตัวของเราจริงแต่ว่าเนื่องโดยเรายังรูปตายพระพุทธเจ้ากระตัสเทศนาว่าอนัตตาเวทนาญาณอนรตาทั้งนั้นในท่านเทศนาในอนัตตลัคณาสูตรหรือว่าอายตนาทั้งหกตาหูจมูกเลี้งกาย เป็นหน้าตามาื่อขันหะก็คืออายุทั้งหกอันเดียวกันเนะี่ยขันหะกับอายุทั้งหอันเดียวไม่ผิดกันหรอกพระพุทธเจ้าท่านตรัเทศนาเป็นหน้าตาที่ว่าเห็นผิดนั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัตเทศนาตาเทศตรงนี้คือว่าร่างกายของคนเราขันทั้งห้าลูกเวทนาสัญญาสถานวิญญาณนี้นั่น เป็นของไม่เที่ยงเมืม่อเป็นที่ไม่เที่ยงเมื่อกับเป็นทุกข์ไม่เหมือนคนที่ไม่ถือคือไม่เหมือนกับผู้ที่ถือว่าอนัตตาทั้งหมดไม่มีทุขมีทุกข์ทุกทุขไม่ใจของเราทั้งหมดวนดยพระเดจเจ้าเน่ยทุกมีอยู่เหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าท่านเป็นปฏิเสธทั้งหมดจึงว่าลูก เป็นอนิจจังรูปเป็นอนิจจังมันก็แปลว่าไม่ใช่ของเรามันแปลวปวนไปก็ไม่ใช่ของเราแต่ทุกครั้งยังมีอยู่พุทธเจ้าทั้งประเทศศาสนาทุกครังยังมีอยู่อนิจจังทุกขังร่างตานี้มันเนื่องด้วยเราไม่เหมือนกับอันที่คนปฏิเสธทั้งหมดว่าไม่ใช่เราทั้งหมดเพราะรูปข้าไม่ใช่เราเสร็จแล้วอ่ะ อาหารก็ไม่ดองทานกันมันจะเป็นอะไรๆทั้งหมดทำไม่เอาทางนั้นอ่ะแล้วอาหารก็มาจองทานกันละก็อยู่ไม่ได้อีกอ่ะผู้ที่ว่าอนัตตาไม่แก่เราเรนนั่นคาว่ารูปเร น, นตานิทินีนั่ น, นไม่ได้หมายว่าทอดธุระทั้งหมดแต่มันยังเนื่องโดยใจคือใจของเรายังคลองอยู่ ยังชำพัดาา เ, าาเกี่ยวเนื่องกันกับกายเกิดอนัตนี่อยู่กายเป็นอนัตตาแต่ว่าตัวใจเนี่ยมันยังรู้จักอนัตตาเห็นอนัตตาเกี่ยวเนื่องกับอนัตตารู้สึกกันเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยนิ้วโหัวใก็หายเรื่องประการต่างๆอันนี้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เพราะฉะนั้นอนาาัตตาที่ว่าผู้ที่วางทั้งหมดนั้นจึ่เรียกว่าอิส ร, รา ผู้ที่เห็นอนัตตาแต่ว่าอนัตตาปล่อยวางไว้ซัวไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่หลงเข้าไปยึดถือแต่ถ้ามันมีอยู่อนัตตามีอยู่แต่ว่าไม่ยึดถืออนัตตอย่างนี้จึงจะเป็นทนทางที่เห็นชอบท่านแสดงทีงเรื่องวิปลาสไว้สี่อย่าง เห็นขันเป็นเราคือขันหานี้เป็นตัวของเราก็อิปปะคือเห็นผิดเห็นขันไม่ใช่เราก็ผิดเห็นเราในขันก็ผิดเห็นขันในเราก็ผิดลองคิดดูสิเห็นขันเป็นเราก็เปล่าไม่ได้ของเราไปถืออัตตาทั้งหมดก็ไม่ได้เห็นขันนอกจากเราไม่ถืออะไรทั้งหมดก็ไม่ได้ หรือเห็นเราเข้าไปอยู่ในขันนั่นก็ไม่ถูกหรือเห็นขันนั้นมาอยู่ในเราก็ไม่ถูกอีกถ้าเห็นเราเข้าไปอยู่ในขันแล้วขมดทั้งทางนั้นไม่ต่างกัดทำอะไรอะไรก็เป็นขันหมดจะไม่เฉยเราใช่แล้วมันก็กลับมาอันดีถ้ายังขันไมาอยู่ในเราขันทั้งห้าน่ะมาเป็นมาไมาอยู่ในเราอะไรทั้งหมดก็เป็นขันทั้งนั้นไม่ใช่เราเพราะอย่างนั้นท่านประกาศตัวนี้ประลา ฟังยากถ้าหากคนไม่คิดให้พิจารณาให้ไกลเกาา่ยให้ลึกเป็งละเอียดเออฟังยากเรื่องอัตจาก็นัตตาคือเห็นว่าเราแล้วไม่ใช่เราอันนี้พูดกันง่ายๆฟังกันง่ายๆขันคือรูปตัวของเรานี่แหละมันเจ็บหรือมันป่วยมัน เป็นบาทเป็นแผลก็ดีเรือว่าเป็นไข้เป็นหนาวด้วยระการต่างวิญญาณคือความรู้สึกมีอยู่มันก็ต้องปรากฏอยู่ปรากฏวอาเป็นอย่างนั้นเจ็บป่วยไม่ยุดิสบายแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีแยกผ่านคือว่าแยกเอาจิตนั้นไปดูอาการของ เวทนาคือตุกทุกอะไรเกิดขึ้นมาที่กายนะให้ไปดูตัวเวทนาคือความเจ็บความปวยหนระือสัญญาความจำนะทั้งขาวิีนัณทั้ขงขางบกลุ่มความแตกมี ญ, ญัยความรู้สึกให้ไปดูแยกออกจากกายเอาจิตไปดูกายเวทนาสัญญาสัญญา ฉะนั้นจะเรียกว่ากายไม่มีก็ไม่ไม่เป็นร่าตาก็ไม่ได้กเกี่ยวกัเนือหรืเนื้อใจหรือจะว่าใจไปเป็นกายก็ไม่ได้ถ้าใจไปเป็นกายจะแล้วกายแต่กายดับใจก็ต้องดับไปตามถ้าหาก็เวทนาไปเป็นใจเสร็จแล้วตัวใจก็รู้จักเก็บ จ, กจักตายแต่นี้ใจมัรู้จักตายถ้าหากว่าเอาใจออกจากเวทจากเวทนา ทำไมมันยังรู้สึกกันอยู่มาเกี่ยวเนื่องกันอยู่เพราะชนะเรื่องของเกี่ยวเนื่องไม่ใช่นอกไม่ใช่ไหนไม่ใช่อยู่ในเราแลือไม่ใช่เราอยู่ไหนหรือว่าไม่ใช่เป็นเราหรือไม่นอกจากเรานี่ฟังง่ายให้พูดอย่างนี้เด้ฟังง่ายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เวทนาที่เกิดจากกายเพราะวิญญาณอยู่ในนั้น สัมผัสเกิดจากเวทนาให้เวทนาเกิดจากสัมผัสสัมผัสได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบหรือสิ่งที่คล้องแข็งร่างกายมาันกรของแข็งนี้เป็นต้นเกิดความรู้สึกขึ้นความรู้สึกนั้นเรียกวิญญาคือตัวใจอาการของใจใจเป็นคนรับรู้สัมผัสถูกต้องกายสิ่งที่ รับรู้นั่นเป็นตัววิญญาณอาการของใจวิญญาณนั้นแล้วเรามีมีความรู้สึกอยู่ว่าอันนี้เป็นวิญญาณอันนี้เป็นสัมผัสแล้วเราไม่เข้าไปยึดเอามาเป็นของเราหรือนอกจากเราแต่ให้เฝ้าดูอยู่เห็นตามเป็ิจริงคือมันเป็นจริงอะว่าอันนั้นกระทบอันนั้นความเจ็บอันนั้นความปวดเช่นเจ็บหัวปวดทอง เป็นไข่อันนั้นเป็นเรื่องธาตุวิการอันนั้นเป็นเรื่องสัมผัสอันนี้เป็นผู้รู้มีญาณในผู้รู้เรารู้อยู่อย่างนี้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นทั้งสองด้านสองฝ่ายเห็นสิ่งสัมผัสแล้วก็ผู้รู้สึกมีอยู่เราดูจับต้องดูผู้รู้สึกถ่ายเดียว ถ้าหากเราใช้อภายเวทณาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราจะได้ความรู้ชัดเคนวอ๋อกายไม่ใช่เวทนาใจกายใจไม่ใช่เวทนาหรือกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่จิตกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายจะเป็นของ ส, สัมพเดี่ยวเนื่องกันเรารู้ชัดเห็นสิ่งอย่างนี้แล้วเราก็ แยกออกเป็นส่วนเป็นส่วนให้มันรู้อยู่อย่างนั้นเท็นอยูอย่างนั้นแต่ว่าไม่เข้าไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตนจริงๆริงมันจังเห็นสักแต่ว่าสัมผัสเห็นสัจตัวรู้สึกแล้วก็อยู่สบายเวทนาก็ไม่ครอบงามถึงเวทนามีมันจะไมบครอบงามใจของเราอันนี้เรียกว่าความรู้ชอบตามที่บอกความธรรมคาศั่ง ถาหากว่าเรารู้อย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้แยกเป็นสัดเปนส่วนรู้ส่วนรู้สัตว์อย่างนี้ถ้าจะพูดให้ใ ก, กล้แล้พูดให้เขาแต่งง่ายเรียกว่าเราต่อสู่การปฏิบัติธรรมะหรือธรรมะทั้งหมดถ้าพูดทั้งเรื่องการต่อสู่แล้วเป็นนโยบายต่อสู่ทั้งนั้นธรรมะทั้งสองปุตตการทาทาน ต่อสู้อะไรต่อสู้ความมาัจฉิยาเสนีเนาะ แ, แนนคือไม่ควาที่เกีย่ยที่พลานมาอยากทำคือความเสียดายเรต่อสู้ถ้าใช้ต่อสู้ชนะแต่สละจะากสละได้ถ้าต่อสู้ไม่ชนะก็หยิบหยิบแล้ววางวางกำลังต่อสู้กำลังหยิบหยิบวางวางทานจะทานจะทันไหมหรือไม่ทานเนาะทานหรือไม่ทานเนาะทานมากฉานน้อยเธอเนาะน้อย เกดียวยัไม่พอเกเดียวยังขายเกิอนอ่ทานมากเกเดียวยเศร้าใจต่อสู้เงียบเงียบทานต่อสู้การต่อสู้ผู้ที่เจาะแท้จริงพระองค์ยิ่งตรัสรเทศนาว่าการสระทำคือการปไปจดขาดศึกการทำทานคือการปไปจดขาดศึกคือเจ็บข้าจึดอันนี้เองข่าจึกมันมารบกวนเรกไม่อยากให้ทำทาน แต่เราจะทานแต่อีกในหนึ่งมันเกียดติไว้ให้ลูกให้ล้านให้พี่ให้นอ้องให้พ่อให้แม่ไว้ปุนมวลโมลดไว้วันหน้าวันหลังอะไรต่ออะไมันมีหลายเรื่องหลายอย่างแล้วต่อสู้อันนี้เรียกว่าผู้ที่เจ้าทั้งประเทศสงสารทานังเทศจิการให้ถานก็เป็นการต่อสู้อย่างอันนี้การต่อสู้กันทั้งสองพระเจ้าขึ้นสอนให้ต่อสู้การรักษาศีลอีกเหมือนกัน ก็จะไม่ได้อยู่ก็ได้กินก็จะเสียการเสีย ง, งานก็จะอดอาหารหิวห้อยก็จะไม่ได้ส น, นกุกเท่านั้นเขาไม่ได้เพิดเพลิอนอะไรต่างๆเขาเพลิดเพลินแล้วก็ไม่ไเพิดเ พ, เพลินไม่ได้เพิดเพลินกบเขาถึงเขาสลุกเฮฮาแล้วก็ม่เด้สนูกเฮฮาก็เขามีนิทานเล่าเรื่องไว้สมัยหนึ่งท่งนผู้ได้เจรจากเรายังอยู่ เขาเล่าศพอยู่ในบ้านในเมืองคลึกโรมสนุกสนานเฮฮาอยู่ถ้าเป็นคนนายในป่าอยู่คนเดียวเกิดวิจิตรวิจารเสร็จโอโ้ยเรานี่อาภาพอับจนเออเดือเกิดอยู่คนเดียวนนใน่สียเดียวเลยก็ที่เหมือนกันกับว่าไม่มีคุณค่าเลยชีวิตของเราเขาสนุกเฮฮาแล้วก็ไม่เดือไปสนุกกับเขาเกิดไปวิจิตรวิจารในคนเดียวเดือดร้อนในคนเดียว ต่อสู้กันอยู่คนเดียวตลอดวันเลยตลอดกลางคืนเลยนี่เรื่องการต่อสู้ของท่านทำควเพียรจนเกิดเป็นการต่อสู้โดยแท้เพราะฉะนั้นในการรักษาศีลก็ต่อสู้ตัวด้วยประการต่างๆที่อธิบายมาแล้วนี่การภาวนาต่อสู้อารมณ์ดื้องัด ให้สงบภบลมมาสงบมีสติดตังระวังไม่ให้จิตฟงสา่านแต่มันก็จะคอยลู่ไปอยู่ตลอดเวลาทุกขุนคลิปคี่แม้จะมีเยองกันโถคุณพุดพี่อยู่เดี๋ยววิ่งหนุนึองแล้วก็พยายามทุกวิธีทาหาเครื่องผูกเครื่องมัดเอาจิตจอ่อเอาจิตไปจดจอะต่ออารมณ์อันเดียว เข่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกพิจารณาตวามตายพิจารณาอาการใช้สองอะไรตัวอะไรนี่เป็นการต่อสู้อย่างขนาดใหญ่ทีเดียบฆ่าจึกสงครามอย่างขนาดนักทืเดียบมีทั้งสองวิจจังหวะเป็นการต่อสู้ครั้นีเ้เมื่ออธิบายทั้งเรื่องการต่อสู้แล้วกว็วกมาอธิบายทั้งเรื่องขังต่อการที่เรา นี่ขันเนะี่ยึขันแบนานที่เราคลองอยู่เดี๋ยวนี้เนะ่ะเรียกว่ารูปเรียกว่าตัวเราอันตัวเรานี่แหละเราไปจนอยู่ทุกวันนี้นะี่แหละด้วยการทำทานเดิการรัก้าศีลเดิการภ า, รนรารวนากระลาลบปนอย่างเดียวคือขันอันนี้เพราะฉะนั้นจึงสมมติว่า สมมติห้ขันอันนี้เป็นสนามเจ๊สนามรบเจ๊ตัวขันนี้เป็นสนามรบดีดีนี่แหละจะต่อสูต้ตรอการเวลาการเจ็บก็เจ็บพิธขันนี้คือเจ็บ ป, ปดดวดโดยประการาต่างๆเวทนาเกิดเป็นกิริขันการเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยประการาต่างๆเป็นมืนเป็นชาก็เกิดเป็นกิรขัน ไม่ได้เกิดที่อื่นการสนุกสบายหรือการเมื่อยการหิวหวย่วยประการต่างๆก็เกิดที่อวัยว้ไม่ได้เกิดที่อื่นทนี้จึงให้สัญญาเรียกว่าสนามรบเนี่ยเรารบอยู่ทุกวันอันนี้การรบแบบนี้นะการต่อสู้แบบนี้นะถ้าหากเราไม่ด้วยจกัก ตัวฆ่าศึกมันก็ยากที่จะลบได้พมะเจ้าจะลบ ค, คนตรงไหนก็ไกลทั้งๆ ท, ที่มีฆ่าศึกในตัวแต่เราไม่รู้เหตุนั้นยังพากันเรียนให้รู้เสียอาเวทนาก็เป็นฆ่าศึกอันหนึ่งอย่างอธิบายมาแล้วเจ็บปวดเมื่อยล้าอุปการต่างๆอันนั้นจะ็น่าศึกโดยแท้ถ้าหากเราไม่มีปัญญาที่จะเอาชนะ มันก็รบกวนอยู่ตอลอดเวลานี่เรียกวิธนาชั้นยาควรจําแล้ว่ันีจําอดีตอนาคตจําปัจจุบันจำโน่นที่เราได้ไปเล่ธุระอะไรต่างมาตั้งหลายวันมาแล้วก็วดีหมือวานนี้ก็ดีหรือวันเช้านี้ก็ดีไอ้ต่้หลายสิบปีมาแล้วก็วดีบางอย่างราต้องลึกคิดนึกเป็นอารมณ์อยู่จริงที่หนา้า เพลิดพลินพอใจมืกก่กับคิดสนุกเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ดิมอสิ่งที่เศ้าโศกมื่อกับเกิดความเ ห, มหงาเศร้าโศกเสียใจอะไรเร้่ประการต่างอันนั้นเรียวว่าสัญญาแล้วมันคิดในที่มันจําที่ของเก่านานมันดำมันดื้แล้วต่อสู่ใจให้มันดื้อือจะเอาชนะมันให้มันดื้อทั้งขานคือความ คิดความปรุงความแต่งแต่งที่ล่วงเลยมาแล้วมันลืมไม่ได้ยังเอาสัญญาไปจํามาอีกเดี๋ยวมันจะปรุงแต่งไปข้างหน้าคิดอ ย, า, อยาให้เป็นอย่างนั้นอยาให้เป็นอย่างนี้อยากให้ดีอย่างนี้นอยากให้ชั่วยอย่างนี้อะไรมันคิดไปข้างหน้าพวกนี้มือรื้อจะต้องทำมันั่นทีหน้าที่จะต่อไปจะทำมันนั่นนั้นปรุงแต่งไว้คนเดียวเราพวยายามต่อสู้เพื่อใมันทิ้งเครื่องมาอยู่ในจุดเดียว จมาอยู่ในกรามฐานอารมณ์เดียวทั้งขาดวิญญาณเดี๋ยวมันวิ่งไปรู้หูเดี๋ยวมันวิ่งไปรู้ทั้งตาเดี๋ยวไปวิ่งไปรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายตามพรไปวิ่งไปเห็นทางตาเนี่ยเราจะไปดูตัววิญญาณคือตัอวขบรูปมันรู้ว่าอันนั้นอันนี้รู้ว่ารู้ไป รูปดีรูปไม่ดีรูปสวยรูปงามหรือรูปเกเรกีฬาพอเราวิ่งไปมันเปิดไปทางอื่น่ไปยืนหูหไปรู้ขึ้นหูเขาวิ่งไปเขไปดูฝ่ายอีกแล้วไปรู้ทั้งจมูกทั้งร่างกายแล้ววิ่งหมากลับมาทังกายรับไปกลับมาท่านหลวงพ่อมาเปรียบมันกนม า, น า, ามายาธรรมดามารยานะั่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดอ่ะคนเราก็เอาแต่คนที่มีกามายา ม, มีแต่หลอกลวงคนอื่น ให้เขาทันสักอย่างเดียเป็นหลอกก็าด้วยการต่างๆอย่างให้เขาหลงเชื่อจนเท่านั้นเรียกว่าตนเองก็ไม่เป็นตัวของตนแล้วก็หลอกคนอื่นเรียกว่ามาอย่างวิญญาณตัวนี้ก็เหมือนกันนั่นแอบหลอกอย่างที่ว่างเพราะฉะนั้นเราให้รู้จักจะกดพวกห น, นุ่ยเป็นข้าศึกถานี้ถ้ามีค่าศิกแล้วสานี้ เราจะใค้ที่ต่อสู้หรือไปจนมันอยู่ที่ตัวของเราไม่ต้องไปปลาโรคทอื่นปลาโรคในตัวงเราเนี่ะเราชนะเราคนเดียวเท่นี้มันก็เราชนะคนทั้งโลกคนทั้งโลกเนี่ย่ะถ้าหางเราชนะของเราแล้ว่ะเราไม่ต้องไปไปจนก็ใครอีกต่อไปแล้วหมดเลยถ้าหากเราชนะเราไม่ได้แล้วยังจะต้องต่อสู้อยู่ตลอดพบตลอดช้า เกิว่าชาติไหนชาติใดก็จะต้องต่อสู้อย่างเนี้ยประจนเัน้ยตลอดเวลาเหตุ น, นั้นคั้สองเพื่เจาสอนให้ต่อสู้ด้งอธิบายมานี่สู้ทุกๆวิธีทางไม่จะต่อสู้แล้วก็ต้องรู้รู้ค่าศึกคือรู้เวทนาธัญญาทังขะทอยา่างเนี่ยสู้ด้วยวิธีไหนธรรมดาเขาสู้กันชนะกัน อย่างเขาค่าศึกศัตรูเมื่อชนะกันแล้วอย่างประเทศต่อประเทศชาติต่อชาติพอชนะแล้วเขาก็จะต้องไปพุ่มของปกปกักรักษาวางแผนปกปกักรักษาตั้งกฎกติกาข้อ บ, บัาบางคับด้วยการต่างเขาต้องไปยึดพันชนะแล้วก็ต้องยึดครอบครองอันนั้นเป็นการต่อสู้ภายนอก ชนะการถายนอกส่วนการต่อสู้ที่พระเจ้าของเราต่อสู้เอาชนะนั้นชนะเด็ดขาดชนะโดยไม่ได้ใช้อาวุธประหัตประหารให้ฆ่าสึกล้มตายหรือแต่ชนะด้วยปัญญาเย่ไา่เรียกว่ากายอาวุธกายสิติพิจารณาเหตุโทษปั่ลอยวาง ไม่เอาไปยึดไปถือชนะพระเจ้าชนะแล้วไม่ครอบครองชนะแล้วปล่อยทิ้งชนะฆ่าศึกทั้งหลายนั่นทางสายนอกเขาชนะแลครอบครองแล้วเข้ไปยึดไปถือเหตุนั้นกันเข้าไปยึดไปถือจึงได้ชื่อว่าชนะไม่เด็ดขาดชนะไม่เป็นธรรมไม่บริสุทธิ์พระเจ้าท่านชนะด้วยปัญญาแยกขาดเคยพิจารณาเห็นโทษเห็นไผ่ เรียปล่อยวางอย่างนี้เราไม่ยอมไปจนคือเราเห็นคุณสิ่งนั้นๆเราเห็นคุณทั้งหมดเห็นว่าเป็นของดีเราจึงไม่กล้าที่ไปจนตกลงก็เมื่อเราไม่ไปจนมันจะชนะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องยอมเป็นทาตช่วงใช่มันเพราะว่าได้เจ้าชนะแล้วใช่มันไดอย่างรู้เท่าเข้าใจแล้วตามหัวจมูกร่างกายขลมใช้ได้สบายใช่มันเลยไม่ให้มัน ใช้ตาไปดูใช้หูไปฟังใช้จมูกไปดมใช้เลี้ยนสัมผัสหลดใช้กายสัมผัสผานออกแต่ว่ามัน ไ, ไม่ได้ไปิดบงังคับไปพูดเจ้ารู้อาเรียสงสาว่าคูณรู้เท่าแล้วให้ได้หลงเพลิดเพลินยินดีสุขทุกข์กัมนท่านรู้เท่าทั้งเข้าใจ ถ้าห้าคนไม่ชนะมันต้องเป็นทาดุยอมช่วงใช้ตลอดเวลาเวลาเจ็บมันใช่ให้ร้องก็ต้องร้องแต่สรวนครั้งแล้วก็การต้งสักก็ต้องทำตามเวลามันสนุกเฮฮามันใช่หัวเราะเพลิดเพลินลื่นลึ่ก็ต้องทำตามการที่ จดจำต่างๆชั้นยาอะไรชั้นยาก็ช่างถที่มันจำมันจะต้องใช้ในการจำอันสิ่งที่เราไม่อยากจำนั่นแ่ะความเครียดความกรธควาอิจฉาเรื่อยๆเคื่อนเดือดแค่งใจน้อยน่าโทมานัาน้อยใจอย่าไปจำเธอปล่อยเธอะมันก็ไม่ยอมเราไม่อยากจำจะตายเลยแต่มันจำให้เราจำไม่ลื้มบเขาผ่านหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลา นี่มันบังคับเรามันใช้เราไม่ได้เจ้าท่านจ้ำจ้ำผู้จำคนจมนักจ้ำนู่นจ้ำนี่ก็จ้ำเมืกันท่านเอามาใช้ได้สบายไม่ดีท่านไม่จ้ำชิงไม่ดีท่านก็ไม่จ้ำใช้แล้วก็ทิ้งปล่อยทิ้งเหมือนกะมี่กับท้าที่คนใช้เลยน่ะเอามาฟักมาหันพักหันเนื้ออะไรต่างกเถอพราะจได้กับร่างทิ้งมนตามเดิมไม่ตมาเหน็บไมดีบพกเรื่องมาไม่ไม่ได้หมดการที่ชิ ท่านใช่เป็นต้องเป็น น, น, นี่การชนาของรพระเจ้าผิดจากการชนะของมนุษย์โลกผ<ม>ู้ที่มีสี่เดชบางหนายเพราะฉะนั้นเราจึงพากันศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องขาดสุดคือตัวขาดสุดนี่แก่ก ร, รูปนามคือตัวของเราทั้งหมดนี่แหละท่านจ้าหากว่า เรารู้จักว่าอันนี้เป็นขันหะและเราก็พาธรรมายที่เรื่องขันหะมัาไม่ใช่ตัวจนจนของเราไม่ใช่นอกเหนือจากตัวของเราแต่อยู่กับเรานี่แหละแต่เราเห็นโทษแล้วเราไม่ปล่อยวางให้มันได้ให้รู้จักว่าอันนั้นไม่ใช่เราอันนั้นเป็นขันหะขันหานั้นมีตังหาตัวของเรามีตังหาแต่ขันหานั้นเกี่ยวกับเรา ขนาะสิ่งที่มันมีอยู่เป็นของอัศจรรย์นนะ่ะคือมันติดเนื่องกับเราขนาดได้เป็นของคือปล่อยวางได้เป็นขออ้อที่จังยิ่งนะักของแม่มีแล้วน่ะไม่ต้องพูดไปขนาดมันทําไมของไม้มีของไม่มีมันปล่อยวางเลยง่ายไม่ต้องปล่อยทำไมมันก็ไม่มีเยอะแล้วจะปล่อยวางทำไมอันนี้มันมีอยู่ในตัวงเรารูปเวทนาสัญญาสังขาร น, น, นิยามนี้อยู่ในตัวของเราแล้ววางลงได้ปล่อยทิ้งได้ มันไม่ใช่ของงอ่ายๆดังนั้นแท้จริงว่าใช่อุบายปัญญาเดยทางที่ชอบทางนี่ชอบตับบวเห็นตามเป็นจริงเห็นว่าขันห้าเป็นขันห้าเห็นว่าใจเป็นใจว่าตัวของเราเป็นตัวของเราเป็นคนละเรื่องละอย่างกันแต่ของเกี่ยวเนื่องที่อยู่ในวัดในครงเนี่ยเขาจะได้ถุนฉลาเนี่ยถ้าลายอย่างหนึ่งตรงเราอย่างแต่เรามาพึ่งพาใส่สระถ้าฟ้าฝนจบมามันรั่วเราก็ไปตายแต่หากว่าถ้าหากว่เราเข้าใจว่าตัวของเราไม่ใช่าลาใช่แล้ว เราก็ขยับาขยายาออกจากที่มันรั่วใช่เรื่องหาอะไรปิดที่มันรั่วใช่มันก็อยู่ได้ต่อไปแต่แล้วจะไปถือว่าเป็นตดวงเราถ้าหากถือว่าสลาเป็นตัวเราล้วนแล้วก็เย่หรือเห็นว่าไอ้ตัวของเราล้วเป็นสลาลลใช่ไหมครัแล้วครับใช่เลยเด็กนี่แรื่ของเกี่ยวเนื่องกันถึงว่าถ้าหากเข้าใจเข้าตามในจริงแล้วละได้ถอนทิ้งได้เป็นของสบายพระพุทธเจ้ า, าสอนให้เรา ให้จนอย่างนี้มากันมีอุบายปัญญาพิจารณาตามที่บกุฏิเจ้าเทวทเทศาให้เอาชนะมาด้วยสกังา์อย่างนี้ธรรมะเป็นวิธีเป็นวิชากลยุทธ์ขนาดที่จะไปจโจมตีฆ่าศัตรูอย่างดีที่สุดศัตรู น, นี่เน่ะแพ้ก็ไม่ได้เป็นบาดเป็นแผลไม่ได้เจ็บได้ตายเลยชนะมันกน็เป็นเจ้าไปใหญ่เป็นโตกว่าเราแต่ว่า มันก็ไปมีตัวมีตัวแพร่ไปมันไปอยู่ไหนสมมติว่าฆ่าซึ้งมันแพร่เราแล้วมันไปอยู่ไหนมันก็อยู่กับตัวของเราแหะแต่มันไม่ยอมใช้เราถ้าน่าเลยครับนี้ไปอยู่ไหนมันก็มาเป็นนายเหนือเราบังคับเราให้เราเป็นทาสรับใช้อะนะว่าไอค่าซึกมวันนี้แหละแพร่มันแพร่เสร็จแล้ว มันไ ม, มน่มันยอมเป็นทาตเราเราใช่สบายถ้าหากว่าคู่ไม่ชนะมันก็เป็นนายมันใช้เราตลอดเวลาธาตุศึก น, นี้เป็นของลึกแล้วอยู่ภายในรบคัวนักโยตลอดเวลาเราจะไปนอนใจว่าเราสบายยังไงได้แล้วเกิดขึ้นมาแท้ที่จริงคือว่าธาตุศึกศัตรูนี้อยู่ในตัวของเราแทบทุกคนไปการทําคนงามคนดีจะเอาชนะธาตุศึกนี้ทายเดียวไม่มีอะไรอื่นไส่หอก เมื่อสรุปรวมจะรวมแล้วก็คือว่าเราไปจนค่าสึกคือของไม่ดียุตลิการมเวลาเนี่ยอธิบายถึงเรื่องคันธรรมใาน ว, วันนี้เพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมต่อที่ได้แสดงมาแล้วลหลายๆวันนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เราก็พากันตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดโดยว่ายนิ่มายพิยายยายจารณาดังอธิบายวันนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์ให้เกิดสุดที่ผลกึ่มสุขแก่ตนโดยอธิบายมาเดือประกาศ